บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปข้อที่ทรงสอนให้ผู้ปฏิบัติกําหนดดูจิตของตนว่าเมื่อจิตมีโมหะก็รู้ว่าขณะนี้จิตเรามีโมหะเมื่อจิตปราศจากโมหะก็รู้ว่าขณะนี้จิตเราปราศจากโมหนน ะ, ะมหนั้น มีนัยยะที่จะพึงศึกษากาหนดสเนิในขั้นของการศึกษาและขั้นของการปฏิบัติเป็นนันมากตอนี้ประว่าโมะคือตัววิชาเป็นพื้นฐานของกิเลสทั้งมวลกิเลสกองนี้จะปรากฏตัวออกมาในสองลักษณะในลักษณะของวิจิกิจชาความเครือบแครงสงสยัยไม่แน่ใจดังที่เคยกล่าวได้ว่า จะเกิดความสงสัยในเรื่องแปดประการด้วยกันคือสงสัยในเรื่องของพระพุทธเจ้าประธรรมประสง์และในายสิกขาแสดงว่ายามใดก็ตามที่จิตยังมีความเคลือบแคลงสงสัยในปรนัตตนาใจและในใจสิกขาอยู่ยามนั้นชื่อว่ามีโมหะปรากฏจุแม้จะเป็นการเกิดขึ้นเพียงชั่วขณะหนึ่งก็ยังชื่อว่ามีโมหะจุก ส่วนลักษณะของใจที่ตรงกันข้ามคือไม่มีความเครียดแครงสงสัยในพระพุทธเจ้าในประธรรมในประสงและในใตจจิกาที่ดำเนินไปได้ตลอดการยาวนานเท่าใดเป็นนั้นแสดงว่าขณะนั้นยามนั้นไม่มีโมไม่มีโมหะที่สแสดงรูปของวิจิกิชาปรากฏเกิดขึ้นภายในใจและประการที่สมพั์ก็คือว่าสภาพจิตที่ตรงกันข้าม กับอาการทั้ง4ประการดังกล่าวเป็นสภาพจิต ท, ที่ท่านเรียกว่าโสตาปาติยังคะเป็นองค์กุณที่นำผู้ประพฤติปฏิบัติให้บรรลุเป็นพระโสดาบันเพราะนคุณลักษณะของพระโสดาบันที่แสดงออกมาปรากฏแก่จิตใจในเบื้องต้นก็คือจะต้องมีความเชื่อเชื่อลงอย่างมั่นคงในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และในกายสิขะ แม้จะมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของใจสิกขาเกิดขึ้นก็ตัดสินใจตนเองลงไปได้ว่าข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้เห็นเป็นพระหัน์ได้สัจรีกเองโดยชอบด้วยพระองค์เองได้ทรงแสดงไว้เรื่องเหล่านี้เราไม่ได้สัสรุแต่พระพุทธเจ้าท่านสัสรุพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อย่างไรก็จำทรงสําเรสนอและยึดถือประพฤติปฏิบัติไปตามนั้น เมื่อจิตใจมีหลักเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวอย่างมั่นคงเช่นนี้ความเครือบแคลงสงสัยในใจสีขาซึ่งเกิดขึ้นในแต่ละขณะก็จะเจือจางลงไปจากจิตใจของบุคคลนั้นและท่านที่มีความมั่นคงเกิดขึ้นภายในจิตโดยนิยตดังกล่าวทั้ง4ประการนั้นดำรงอยู่นานเท่าไหร่กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดก็จะบังเกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็จะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น ในจิตใจของบุคคลผู้นั้นทั้งนี้เป็นเพราะไรเพราะว่าหลักการศึกษาและการปฏิบัติธรรมะในตามพระศาสนานั้นความศรัทธาเชื่อลงอย่างมั่นคงในพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นประการสําคัญที่จะนําบุคคลในก้าวเดินไปสู่ความสุขความสงบที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามธรรมะของพระองค์แต่ในตำหนองตรง น, นข้ามถ้าหากว่าภายในจิตใจของผู้ปฏิบัติ จะมีความสับสนจะมีความเครือบแคลงสงสัยในองค์พระพุทธเจ้าอยู่จากนั้นการจะประพฤติปฏิบัติในธรรมะในการจะสัมผัสคุณของพระสงฆ์โดยการปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรก็เกิดขึ้นได้โดยยากแม้แต่การที่จะดําเนินไปตามหลักของใจสิกขาก็จะดําเนินไปไม่ได้ดังนั้นประการสําคัญในการประพฤติปฏิบัติธรรมะจึงอยู่ที่ศรัทธาความเชื่อมัน่น ในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่เชื่อมั่นได้ในตอนนี้ตอนอื่นก็ชื่อว่าดําเนินไปได้ด้วยดีแต่ในช่วงที่สองนั้นเป็นความเครือบแคลงสงสัยที่ปรากฏออกไปเป็น4เรื่องคือเคลือบแคลงสงสัยในขันธาตุอาญตนะหรือชีวิตในอดีตเครือบแคลงสงสัยในชีวิตในอนาคตและเครือบแคลงสงสัยในทั้งอดีตและอนาคตและความเครือบแคลงสงสัยในกฎของ ปนการก็นี่จะพบว่าความเคลือบแคลงสงสัยในเรื่องของอดีตนั้นในแง่ของการศึกษาแล้วบุคคลอาจจะอาศัยหลักการต่างๆหลายประการด้วยกันเป็นเครื่องกระจัดความเคลือบแคลงสงสัยออกไปจากจิตใจประการแรกก็คือสิ่งที่ตนได้ประจักษ์ด้วยประสาทสัมผัสของตนเองถึงสิ่งที่มีอายุยืนนานต่างๆ ซึ่งดำรงมาจนถึงปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของก็ตามซึ่งแสดงเห็นถึงความไม่อยู่แข่งอดีตการและเมื่ออดีตการเหล่านั้นได้ขยายออกไปจากวันก่อนเดือนก่อนปีก่อนชาติก่อนแล้วก็หลายๆชาติที่ผ่านมาแล้วในอดีตเพื่ออาศัยมนาศิการตามแนวนี้ก็อาจาจะขจัดความเครือบแคลงสงสัยออกไปได้ประการที่สองนั้นอาจจะอาศัย จับหลักพระสัพพัญญุตยานของพระพุทธเจ้าโดยนยิยตดังกล่าวคือข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรู้เห็นด้วยพระญาณของพระองค์ถึงความเป็นวงกลมแห่งสังสาระจักรที่หมุนวนกันไปหาที่สิ้นสุดไม่ได้จาบใดที่บุคคลไม่สามารถตัดตรากเงาของสังสาระจักรเกลวิชาได้แล้วจาบนั้นการบุนเวียนอยู่ในสังสาระจักรก็จะต้องมีอยู่จับนั้นเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้ และทรงแสดงไว้ช น, นี้ก็ยึดถือเชื่อมั่นไปตามนั้นไม่ทำใจให้สับสนไปวินิจฉัยตัดสินเรื่องซึ่งเกินวิสัยของตอนเองก็จะบรรเทาผ่อนคลายความเครียดแกรงสงสัยลงไปจากจิตใจได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเชื่อถือในหลักที่เรียกว่าอุเพนิวาสานุทยานของพระพุทธเจ้าคือปัญญาที่ทาให้พระองค์ทรงรู้อดีตการอาดีตชาติของพระองค์และของบุคคลอื่น นำมาชี้แจงแสดงไว้โดยอนเนกกปริยายจอมเป็นหลักคำยันจิตใจของบุคคลเอาไว้ไม่ให้เกิดความเครือบแคลงสงสัยในเรื่องนี้ส่วนความเครือบแคลงสงสัยในเรื่องของอนาคตนั้นก็าอาจจะอาศัยกฎเกณฑ์ดังกล่าวคือความคาดหมายที่อาศัยการปัจจุบันเป็นตัวกําหนดเช่นมีวันนี้มีวันนี้ก็มีพรุ่งนี้เราจะหมุนวนกันไปเป็นเดือนหน้าปีหน้าชาติหน้า เป็นลักษณะวงกลมเช่นเดียวกับที่กล่าวแล้วประการที่2ก็อาจจะอาศัยการอนุมานเอาจากเหตุการณ์ต่างๆที่ตนผ่านพบในชีวิตประจำวันเช่นความมีอยู่แห่งขันธาตุอยายตนะในการอนาคตนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับเหตุกับปัจจัยของความให้มีหรือไม่มีของสิ่งเหล่านั้นแต่ตราบใดที่เหตุปัจจัยยังมีอยู่ตราบนั้นการหมุนวนของสิ่งเหล่านั้นก็ยังมีอยู่เปรียบเหมือนมเมล็ดพืชชนิดใดชนิดหนึดด่ง ซึ่งองค์ประกอบแห่งการงอกขึ้นเป็นลำต้นพืชชนิดนั้นยังมีอยู่การสืบต่อพืชพันธุ์ของพืชชนิดนั้นก็ต้องมีอยู่จากนั้นความไม่อยู่แห่งขันธาตุอยัยตนะในการอนาคตก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกันคือขึ้นอยู่กับเหตุปจัจจัยถ้าเหตุปัจจัยยังมีอยู่การบุนบนในสังสารวัตรก็ต้องมีอยู่ก็ปรองใจตัดสินใจเชื่อไปได้โดยในญานั้นและประการที่สามมันจะอาศัย หลักเกณฑ์เรื่องราวต่างๆตำรับตำนาหลักวิชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพระคำภีตรายบิดกที่เป็นผลนั้่เกิดขึ้นจากการสัสรุของพระพุทธเจ้าเป็นหลักพิจารณาที่ยเคียงศึกษาไปก็จะบรรเทากระจัดความเครือบแคลงสงสัยออกไปภายในจิตใจได้แต่บางครั้งบางคราวแม้ว่ายังเกิดความสับสนอยู่ภายในจิตใจบุคคลก็อาจจะอาศัยหลักของมนสิกานที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการ คือการทําไว้ในใจโดยอุปายแยบคลายโดยเหตุโดยผลเช่นสมมุติว่าระหว่างการกระทําดีกับการกระทําชั่วระหว่างความสงบกับความผุ้งซ่านของจิตที่บุคคลจะต้องละฝ่ายไม่ดีและบําเพ็ญประพฤติปฏิบัติในส่วนที่ดีนั้นเมื่อยังจับหลักอะไรไม่ได้บุคคลอาจจะมายึดหลักที่ว่าการกระทําความดีให้เกิดความสงบภายในจิตใจก็ตามด้วยการกระทําความดีด้วยกายด้วยวาจา ก, ก็ตามนั้นผลจะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างไรนั้นไม่สําคัญ แต่ประการที่สําคัญก็คือว่าในขณะปัจจุบันซึ่งตนรับผิดชอบถึงเหตุอยู่นั้นตนได้ประกอบกระทํำในสิ่งที่เป็นประโยชน์และสัมผัสผ ล, ผลคือความสุขกันได้ในขณะนั้นเมื่อเหตุการณ์ยาวนานออกไปก็สามารถวิเคราะห์ตรวจสอบถึงผลที่เกิดขึ้นแก่ตนในการภายหน้าและเชื่อมโยงกับหาอดีตได้ว่าผลเหล่านี้ได้เกิดขึ้นกับเหตุในอดีตเช่นนี้ที่ตนได้ประกอบกระทำเอาไว้ความครืบแคล่งสงสัยในการทั้งสองคืออ อนดีตตการกับอนาคตการก็จะเบาบางลงไปอาการที่3ามความเครื่อนแปรงสงสัยในส่วนทั้งที่เป็นอนดีตอนาคตก็ต้องอาศัยกฎเกณฑ์โดยนิยามที่กล่าวแล้วเป็นเครื่องกําหนดเป็นเครื่องพินิจพิจารณานั่นก็คือการเชื่อม โ, งอมโยงระหว่างเหตุกับผลที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันและบุคคลก็จะเห็นได้ว่าผลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือผลที่เกิดขึ้นในการภายหน้านั้น มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์เหตุในอดีตซึ่งตนได้ประกอบประทำเอาไว้จากตัวอย่างง่ายๆเช่นการที่ตนมีความหมั่นขยันในการศึกษาเรียนในการประกอบภารกิจการงานในวัยที่ยังหนุบแน่นอยู่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่พอโตเป็นผู้ใหญ่เข้าก็มีหลักฐานมั่นคงอยู่ดีมีสุขกันในชีวิตบ้านปลายผลเหล่านั้นเกิดขึ้นจากความเหนื่อยยากลำบากที่ได้ลงทุนลงแรงไปในอดีตการนั่นเอง ดังนั้นเมื่อบุคคลสามารถเชื่อมโยงระหว่างอดีตกับอนาคตรหรือปัจจุบันได้ก็จะมองเห็นความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ในวงสั้นๆและในวงกว้างออกไปแห่งสังสารปัจจุบันสามารถขจัดความเครือบแคงสงสัยออกไปได้และยิ่งไปกว่านั้นบุคคลก็อาจจะอาศัยหลักทั้ง3ประการดังที่กล่าวแล้วคือการประจักษ์ด้วยประสาทสัมผัสของตนประการหนึ่งการอ่านมานเทียบเคียงเอาประการหนึ่งการอาศัยหลักประสพพันยุตยิญาณ คือการสัตวรูปของพระพุทธเจ้าและที่ทรงแสดงไว้ในที่ต่างๆซึ่งลงการสมการทุกคนทุกแขงนั้นประการหนึ่งเป็นเรื่องเย็ดเหนี่ยวทางจิตใจก็สามารถที่จะกระจัดความเครื่อแคลงสงสัยที่เกิดขึ้นในขณะนั้ น, น, นได้แต่ว่าเรื่องของวิจิตรฉาคือความเครื่อแคลงสงสัยนั้นศาสตร์ใดที่บุคคลยังไม่สู่กระแสของปิพัน์นที่แท้จริง ความเพื่อแแปลงสงสัยก็ต้องเกิดขึ้นไม่ว่าในช่วงใดช่วงหนึ่งส่วนจะเกิดขึ้นมากหรือน้อยนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าปัญญาความรอบรู้ในธรรมะได้เกิดขึ้นภายในจิตใ จ, จของบุคคลมากหรือน้อยเพราะลักษณะของวิจิตรฉานเป็นกลุ่มของโมหะนั้นเปรียบเสมือนความมืดแต่แสงสว่างคือปัญญาเกิดขึ้นมากความมืดเหล่า น, นั้นก็ลดน้อยถอยลงไปแต่ถ้าแสงสว่างคือปัญญาเกิดขึ้นน้อยความมืดเหล่านั้นก็ครอบงำจิตใ จ, จบุคคลได้ ผลการต่อไปก็คือความเครือบแคลงสงสัยในกฎของปัจจัยการหรือกฎของปฏิจจสมุปาฏิจะแท้จริงแล้วก็เป็นกฎของเหตุผลเหมือนกระแสคลื่นในมหาสมุทรเหมือนกระแสน้ําในแม่น้ำเหมือนกระแสไฟฟ้าต่างๆเป็นกฎเกณฑ์ตามธรรมชาติธรรมดาที่เกิดดับหนุนเนื่องกันไปไม่มีที่สิ้นสุดแต่ถ้าหากว่ายุติตัวเหตุปัจจัยหลักได้การหมุนบนการไหลเคลื่อนของสิ่งเหล่านั้นก็ชื่อว่าดับตามไป ในหลักของปัจจัยการนั้นตัวการสําคัญจริงๆ จ, งจึงอยู่ที่กิเลสเหตุาปใดที่กิเลสยังมีอยู่ได้แก่ยังมีอวิชชายังมีตัณหายังมีอุปาทานการกระทํากรรมต่างๆที่เป็นบุญเป็นบาปก็ย่อมจะเกิดขึ้นเมื่อการกระทําที่เป็นบุญเป็นบาปยังมีอยู่ผลที่เกิดขึ้นจากการกระทําเหล่านั้นก็ยังมีอยู่บุคคลก็จะหมุนวนในสังสารวัฏ คือเพราะมีกิเลสเป็นเหตุได้ทำกรรมเมื่อทำกรรมก็รับปิบากแห่งกรร ม, มรับปีบากแห่งกรรมกิเลสก็เกิดขึ้นอีกก็ทำกรรมอีกทำกรรมอีกก็รับผลของกรรมอีกกรณีพึงดูตัวอย่างง่ายๆความเปลี่ยนแปลงภายในจิตใ จ, จนั้นอยู่ในเงื่อนไขของกฎปฏิจจการเช่นว่าบุคคลมีความพอใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็มุ่งแสวงหาสิ่งเหล่านั้นจนได้สิ่งเหล่านั้นมา เม่ได้สัมผัสไม่ได้ลิ้มรสเมื่อได้เคยสมสิงเหล่านั้นก็เกิดความกำหนัดยินดีในสิ่งเหล่านั้นความยากในสิ่งเหล่านั้นก็เกิดเพิ่มขึ้นก็เพียนแสวงหาสิ่งเหล่านั้นอีกในที่สุดมันก็หมุนวนเข้าไปเป็นกินเลสเป็นกรรมเป็นวิบากเรื่อยไปตามสมควรแก่เหตุไอ้สาบใดที่ตัวเหตุนั้นยังไม่ถูกตัดขาดลงไปผลที่เกิดสืบเนื่องมาก็จะติดตามมาอยู่ตลอดทํานองเดียวกับฝนตกมาทางเหนือยังมีอยุดสาบใดน้ําก็ไหลมาสู่ส่วนล่างของพื้นที่ นั้นๆอยู่จาดนั้นจะไม่มีการเกิดแท่งไปเรื่องของปัจจัยการในเรื่องของปฏิจัจสมุบาทนั้นแท <c oughs> ้จริงแล้วเป็นกฎแห่งเหตุผลที่มีการเกิดมีการกระทํากันอยู่อย่างนี้ซึ่งอาจจะสรุปเป็นหลักของอริยสัจทั้ง4ี่ประการคือในกฎของอริยสัจทั้ง4ประการนั้นเจอพบว่าศาบใดที่ยังมีสมุทัยอยู่ ยังมีตันหาในอารมณ์ทั้งหลายอยูส่สาปนั้นความทุกข์ในรูปแบบต่างๆก็ย่อมจะเกิดขึ้นและผลคือความทุกข์ที่เกิดขึ้นโดยแรงผลักดันของตันหานั้นไม่จำเป็นจะต้องเป็นช่วงยาวๆแม้แต่ช่วงขณะในแต่ละขณะของจิตใจหรือแตใ่ในแต่ละวันในแต่ละเดือนก็เกิดขึ้นในวิถีชีวิตของบุคคลได้ตามแรงดันของตันหาเหล่านั้นบางครั้งบางคราวมีจิตใจมุ่ง ม, มั่นปรารถนาเพื่อจะได้สิ่งใดสิ่งหนึ่ง พอไม่ได้มาก็เกิดทุกหรือไม่ต้องการจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่จําเป็นจะต้องเกี่ยวข้องมาก็เกิดทุกเป็นต้นความทุกข์เหล่านี้ก็ดูกันได้ในช่วงสั้นๆไม่จําเป็นจะต้องดูในช่วงยาวๆเป็นรูปของสังสารวัฏก็ได้แต่ว่าความมีอยู่ของสังสารวัฏในช่วงยามนั้นก็คือความมีอยู่ซึ่งการรู้แจ้งแทงตลอดระดับที่ห่างไกลออกไปนั้นจะต้องอาศัยความรู้ระดับยานดังที่กล่าบมาแล้วในตอนตอน้นวิชาดาบใดที่ยังมีการประพฤติปฏิบัติ ตามบริมักมีองค์แประการซึ่งเกิดเป็นตัวเหตุอยู่นิโรธผลก็จะต้องเกิดขึ้นในช่วงใดช่วงหนึ่งตามสมควรแก่กำลังการปฏิบัติของตนซึงแสดงเห็นว่าเอาก็จริงแล้วปัจจัยาการนั้นก็คือเหตุผลสองด้านด้วยกันเหตุผลด้านเกิดที่เป็นกระบวนการแห่งความทุกข์ที่พระพุทธเจ้าทรงสรุปว่ากองทุกข์ทั้งมวลเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้แต่ในขณะเดียวกันก็มีเหตุผลในด้านที่จะสงบระงับดับความทุกข์ออกไป อย่างที่พรจะพุทธเจ้าทรงแสดงโดยสรุปในตอนสุดท้ายว่าความดับแห่งทุกทั้งมวลเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้นั่นเองและในหลักของปัจจัยการนั้นเมื่อมาสรุปไปที่อริยสัจทั้ง4ประการสายเกิดเป็นกระบวนการความทุกข์ดังกล่าวก็คือทุกขกับสมุทยัยกับศาสตราใดที่ยังมีกิเลสยังมีสมุทัยอยู่กระบวนการของทุกข์ก็เกิดสืบเนื่องกันไป แต่ยามใดก็ตามที่บุคคลได้ปฏิบัติตามอริมักมโยงแปดประการก็สามารถจะก่อให้เกิดผลระดับในระดับหนึ่งตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติของตนเช่นบุคคลก่อให้เกิดสมาธิติขึ้นภายในจิตใจของตนทราบใดที่ใจ ย, ยังมีสมาธิติปรากฏอยู่ความเห็นที่เป็นมิจฉาทิฏฐิแม้จะได้ยินได้ฟังมาจากภายนอกก็ะจะไม่แทรกซึมเข้าไปสู่ภายในจิตใจของบุคคลผู้นั้นเพราะสมาธิติที่มีอยู่ภายในใจของบุคคล ผู้นั้นขจัดป้องกันความคิดในทํานองมิจฉาทิฏฐิเอาไว้ไม่ให้เข้าไปยึดครองจิตใจแต่ถ้าหากว่าสัมมาทิฏฐิยังมีลักษณะอ่อนไหวคือไม่ค่อยจะมั่นคงดํารงอยู่ได้นานจิตใจของบุคคลก็อาจจะขึ้นขึนลงๆวันนี้อาจจะมีความเห็นชอบเพราะประกอบด้วยเหตุปัจจัยที่กระตุ้นเตือนให้มีสัมมาทิฏฐิดํารงอยู่ได้นานแต่บางครั้งบางคราวตกไปในธรากลางสิ่งแวดล้อมและอารมณ์ซึ่งมีลักษณะกระตุ้นเร่งรา้า อนโณมนาวให้เกิดความเห็นตามคล้อยตามความคิดความเห็นที่เป็นพิจารณิติอาจจะคล้อยตามไว้ตามไปได้เพราะฉะนั้นในลักษณะเหล่านี้จึงขึ้นอยู่กับปริมาณของความเห็นที่เป็นสมาธิว่าได้อย่างรากลงมั่นคงภายในจิตใจมากน้อยแค่ไหนเพียงไรแต่ถ้าหากว่ายังหวั่นไว้อยู่จิตก็จะมีความสับสนเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ดูว่าจิตมีโมหะก็รู้ว่าจิตมีโมหะจิตไม่มีโมหะก็รู้ว่าจิตไม่มีโมหะซึ่งหมายความว่า ความมีโมหะและความไม่มีโมหะนั้นยังมีการต่อสู้กันอยู่ภายในจิตใจเพราะปริมาณของธรรมะก็ไม่มากพอจะทําลายล้างฝ่ายอกุศลธรรมฝ่ายอกุศลธรรมก็ไม่มีกำลังมากพอที่จะทําลายล้างฝ่ายธรรมะมีการต่อสู้กันอยู่ภายใ น, ในใจิตใจใครได้เหตุได้ปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนมากกว่าฝ่ายนั้นก็ครอบงำจิตใจของบุคคลได้นานๆแต่ยามใดที่เหตุปัจจัยมันเปลี่ยนแปลงไปอีกฝ่ายหนึ่งก็เกิดขึ้นครอบงำจิตใจได้ได แ่อย่งไรก็ตามในช่วงที่เกิดความเห็นเป็นสมาธิิฐอยู่นั้นความสว่างทางปัญญาความเห็นเหตุเห็นผลก็จะบังเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลผู้นั้นการประกอบการทาที่แสดงออกมาทางกายทางวาจาของบุคคลก็จะเป็นไปในขันลองของศีลยุติโดยหลักเหตุผลและความดีมีการไม่ประทุสร้ายเบียดเบียนตนและเบียดเบียน บ, บ, บ, บุคคลอื่นให้ปรากฏเตือกหมายความว่าในช่วงนั้นในขณะนั้น พติกรรมทั้งบันของบุคคลก็จะเป็นการเพิ seafood, er um, ่มพ wow. ูนกุศลส่วนที่ยังไม่เกิดเพิ่มพูนกุศลส่วนที่เกิดขึ้นแล้วและสร้างกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของตนหรือว่าบุคคลที่มีความเห็นชอบบางเกิดขึ้นปริมาณของปัญญาก็จะเกิดขึ้นรอบกําังใจ้จัดความเห็นผิดออกไปจากจิตใจแม้บางครั้งบางคราวจิตจะหักเหออกไปตรึกนึกด้วยอํานาจของความใคร่ด้วยอำนาจของความเปยาบาทด้วยอํานาจของความเบียดเบียน แต่ว่าสติก็จะจะรึกรู้เท่าทันว่าเวลานี้จิตของเราตกไปในขนาดอย่างนั้นซึ่งเว้นเป็ น, เ ป, นเป็นความไม่เหมาะไม่ควรก็พยายามดึงจิตกลับมาได้แล้วผลที่เกิดขึ้นภายในจิตโดยอาศัยสมาธิิหรือสมาสังกัปปะบุคคลนั้นก็จะสัมผัสได้ด้วยใจของตนเองเป็นความสงบเป็นความสว่างปรากฏขึ้นภายในจิต รือแมแต่ในชั้นของการประพฤติปฏิบัติตามหลักของสมาวาจาสมากรรมตะสมาชีวะคือการพูดวาจาที่ชอบไปเกิดเว้นจากวรจีทุจริตทั้ง4ประการงดเว้นจากการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจอเรียไลไรก็ชื่อว่าเป็นการสงบระงับดับเวรภัยที่จะมาจากคำพูดของตนเอาไว้ได้อาการทางวาจาของตนก็เป็นวาจีที่สะอาดที่เรียกว่าจีสุจิคือเป็นวาจีที่สะอาด เมื่อสามารถประพฤติปฏิบัติควบคุมในด้านสมากรรมมันตะได้อาการที่แสดงออกทางกายของบุคคลก็จะเป็นกายที่สงบจากเวรจากภายัยยุติเวรภยัยอันจะพึงเกิดขึ้นเมื่อดําเนินไปจนถึงสมาชีวะการดรํารงชีวิตของตนการได้มาซึ่งปัจจัยในการดรํารงชีวิตของตนและแม้แต่การเหนียวนึกถึงการที่จะแสวงหาปัจจัยต่างๆก็จะดํารงอยู่ในคันลองแห่งธรรมอนามให้การประพฤติปฏิบัติมีการก้ำเนิดและการพัฒนามากยิ่งขึ้น ซึ่งด้วยการประพฤติปฏิบัติในลักษณะนี้เองทมให้บุคคลผู้นั้นได้สัมผัสผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมะซึ่งผลจะมากน้อยแค่ไหนเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของบุคคลผู้นั้นต่หากว่าจะก้าวเดินไปจนถึงชั้นของสมาสติจะมีสติระลึกสงบอยู่กับอารมณ์ที่ทรงสั่งสอนให้กาหนดระลึกเพื่อเกิดความสงบ ถ้าก็เกิดความสงบขึ้นมาเป็นธรรมะที่เรียกว่าสันติปิกังนิพพานังคือการดับกิเลส ท, ที่บุคคลจะเห็นได้ด้วยใจของตัวเองในขณะนั้นๆและในชั้นของการปฏิบัติในแนวนี้ตึงสังเกตว่าบางครั้งบางคราวไม่จําเป็นจะต้องอยู่ในรูปแบบคือเป็นพิธีรีตองก็จะต้องนั่งคู่บรรลงังตั้งกายตรงดํารงสติไว้เฉพาะหน้าเท่านั้นแท้จริงตัวการสําคัญอยู่ที่สติเป็นตัวลึกรู้สภาวะของจิตในแต่ละขณะ ภาษาภาวะของจิตในขณะนั้นๆมีความคิดเห็นโน้มเอียงไปในทางใดคือไปทางกุศลหรือเป็นทางอากุศลถ้าเป็นทางกุศลก็ดึงจิตกลับมาสู่ทางแห่งกุศลถ้าเป็นทางแห่งกุศลอยู่แล้วก็ประครบประครองรักษาจิตของตนเอาไว้ในสภาพนั้นได้นานๆกร น, น, น, นี้ท่านอุปมาเหมือนบุคคลที่ขับยานพาหนะไปในสถานที่ต่างๆก็คอยตรวจสอบดูว่ายานพาหนะของตนหักเหไปนในทางใด ถ้าเข้าไปนในทางที่จะเป็นอันตรายก็หมุนกลับมาให้อยู่ในจุดที่ปลอดภัยแต่ถ้าหากัายานพาณะะเหล่านั้นดำเนินไปทรงถูกต้องดีแล้วก็เพียงแต่ประคับประพองเอาไว้เท่านั้นเองจิตของบุคคลที่เดินไปในคันลองแห่งกูรสุนธรรมก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือยามใดที่จิตปราศจากโมหะบุคคลรู้ว่าจิตของเราปราศจากโมหะ ก็พยายามรักประคับประคองรักษาคุณภาพจิตเอาไว้ในแต่ละขณะเช่จนจิตที่ไม่มีความเครื่อบแปรงสงสัยในส่วนของเป็นอนดีตเกิดมาก็ยกถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้อย่างนี้เรายังไม่ถึงการเวลาที่จะไปวินิจฉัยก็ยเชื่อมั่นในการตัดสู่ของพระพุทธเจ้าเป็นหลักจิตเอาไว้ลักษณะของวิจิตรฉะก็จะไม่ครอบงําใจในขณะนั้นๆัเมื่อรู้ว่าวิจิตรฉะไม่มีหรือว่ากิเลสประเภทเหล่าอื่นไม่มี ก็ประคับประคองจิตเอาไว้การดูจิตในแนวนี้จะพบว่าส่วนหนึ่งก็จิตตกไปในทางแห่งอกุศลก็เป็นเรื่องที่จะต้องประคับประคองรักษาบางคราวจิตตกไปในทางที่เป็นอกุศลก็ต้องดึงกลับดึงจิตกลับมาจากทางแห่งองกุศลเหล่านั้นบางครั้งจิตตกไปอยู่ในประเภทอกุศลเหมือนกันแต่มีลักษณะโขดขู่ ท, อทอ้อถอยเหนือ่อยหน่ายเกิดไม่ค่อยจะมั่นใจในการประพฤติปฏิบัติของตน เพรานว่าเราพึ่งปฏิบัติมาแล้วไม่เกิดความสงบขึ้นมาหรือว่าเกิดนิมิตเกิดปีติขึ้นมาในขณะใดขณะหนึ่งแล้วก็ปรารถนาที่จะให้เกิดปีติเหล่านั้นขึ้นมาอีกหรือเกิดนิมิตขึ้นมาอีกเมื่อนิมิตหรือปีติเหล่านั้นไม่เกิดก็ทําให้มีความท้อถอยขึ้นมาภายในจิตในท่อนี้ท่านก็สอนให้ปลุกปลอบจิตใจให้เกิดความกล้าหาญให้มีความเชื่อมั่นว่าความสงบนั้นเป็นของมิจฉ แต่จะต้องมีอยู่ด้วยเหตุปัจจัยที่สมบูรณ์มากพอจะให้เกิดความสงบดังนั้นการปฏิบัติในแต่ละครั้งแต่ละคราวจึงเป็นการเพิ่มพูนเหตุปัปจจัยแห่งความสงบแต่เมื่อเหตุปัจจัยแห่งความสงบยังไม่พร้อมมูลก็เป็นเรื่องที่จะต้องกระทาเรื่อยไปจนกว่าเหตุปัจจัยเหล่านั้นจะพร้อมมูลและความสงบก็จะบังเกิดขึ้น ซึ่งการปฏิบัติในลักษณะนี้ก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติธรรมดาเหมือนกับการปลูกต้นไม้หรือการปรุงอาหารหรือการทําการงานอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ละขณะที่ทําแต่ละขณะที่ต้นไม้เหล่านั้นได้ผ่านการเวลาแต่ละขณะที่บุคคลกําลังปรุงอาหารอยู่นั้นแท้จริงแล้วก็เป็นการสร้างเหตุปัจจัยเพื่อให้เป็นอาหารเพื่อให้เป็นการงานเพื่อเป็นต้นไม้เหล่านั้นที่จะออกดอกออกผลในการที่กําลังกระทําอยู่นั้นผลที่ต้องการก็ยังไม่เกิดขึ้น แต่ว่าทุกครั้งที่กระทำทุกเวลาที่การผ่านไปต้นไม้เหล่านั้นก็รอคอยความเจริญเติบโตเสริมสร้างเหตุปัจจัยที่จะให้ออกดอกออกผลและในที่สุดเมื่อเหตุปัจจัยมีความสมบูรณ์การเวลาหน่วยให้แล้วต้นไม้ชนิดนั้นก็จะออกดอกออกผลตามธรรมดาของต้นไม้จิตใจของบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมะในทางอรูธศาสสนาก็เช่นเดียวกันบางครั้งบางคราวแม้จะไม่เห็นตัวความส ง, งบปรากฏอยู่ภายในจิต แต่พึงเข้าใจว่าแท้จริงแล้วก็มีเชือ้อมีเพลดมีปัจจัยแห่งความสงบได้เพิ่มขึ้นแล้วภายในจิตหน้าที่ของบุคคลก็คือกระทําไปโดยลําดับอย่างที่ทรงแสดงว่าภาวิตาภาภูรีกตาคืออบรมกระทาให้มากอบรมกระทาให้มากไปเรื่อยๆแต่เมื่อกระทาไปเช่นนี้พอถึงโอกาสหนึ่งผลคือความสงบก็จะบังเกิดขึ้นแต่ในกรณีของนิมิตหรือปีติที่บังเกิดขึ้นนั้น มีปัญหาในการรู้ปฏิบัติประการหนึ่งคือตามปกติแล้วผู้ปฏิบัติไปหลงทางในด้านจิตใจเสียเองเ <Yes. S 1> จตน์มาเกิดนิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาหรือเกิดปิติอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมา <Yes. S 1> ก็รู้สึกชื่นชมโสมนัสกับปิติเหล่านั้นแล้วก็ปรารถนาที่จะให้ปิติหรือนิมิตเหล่านั้นเกิดขึ้นอีกเวลานั่งปฏิบัติกรรมฐานก็ตั้งความปรารถนาที่จะให้เกิดขึ้นซึ่งความปรารถนาในลักษณะนั้นมันก็เป็นตัวของกรมไม่ชั่คือความอยากประการหนึ่ง ความอยากนั้นเป็นปฏิปักษ์คือตรงกันข้ามกับสมาธิเมื่อความอยากยังยึดครองจิตใจแม้แม้อยากจะเห็นนิมิตอยากจะได้ปีติก็ตามก็คือว่าเป็นความอยากเป็นนิวรระการแรกทีเดียวปีติหรือนิมิตเป็นต้นก็จะไม่เกิดขึ้นในขณะนั้นนั้นเพราะนหน้าที่ของบุคคลคืออบรมกระทําให้มากไปเท่านั้นเองส่วนผลก็เป็นหน้าที่ของเหตุปัจจัยที่บุคคลได้ประกอบกระทําเอาไว้ เปลุกปลอบให้เกิดความมั่นได้เช่นนี้ความหดหู่ความท้อถอยความเหนื่อยหน่ายซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตของบุคคลก็จะเจือจางเบาบางลงไปสามารถที่จะยกจิตของตนให้มาอยู่ในคันรองแห่งกุศลและธรรมน้อมนามกา ร, รปฏิบัติให้ดำเนินไปเพื่อเกอกูลแก่การปฏิบัติสมาธิของบุคคลเหล่านั้นได้ หลักการพิจารณาสังเกตความเปลี่ยนแปลงของจิตแม้จะทรงแสดงไว้เป็นคู่ๆอย่างนี้แต่ว่าในชั้นของการปฏิบัติจริงผู้ปฏิบัติจะสัมผัสว่าจิตแกก็ไม่ได้เปลี่ยนเปน็นอางนั้นเสมอไปคือบางครั้งอาจจะเป็นราคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นโทสะแล้วก็เปลี่ยนเป็นโมหะไปเลยคือเปลี่ยนเป็นอกุศลตลอดก็ได้แต่บางครั้งก็อาจจะเกิดเป็นความไม่โลภเกิดเป็นเมตตาเกิดเป็นปัญญาคือเกิดเป็นกุศลไปตลอดก็ได้ ซึ่งไม่แปลโดยสรุปพระท้าฝ่ายอกุศลเกิดขึ้นก็ให้รู้ตามความเป็นจริงว่ามันเป็นอกุศลในขณะนั้นถ้าเป็นฝ่ายกุศลเกิดขึ้นก็ต้องรู้ตามความจริงว่าขณะนี้จิตเป็นกุศลถ้าจิตเป็นกุศลก็ประคับประคองจิตเป็นอกุศลก็เพียรพยายามละนี้คือหลักการปฏิบัติที่สําคัญในกิจ า, า, านุปัสสนาสติปัฏฐานต่อจตกนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทําความสงบสืบต่อไป